เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2556เป็นวันพระวันธรรมสวัสวิวันฟังธรรมเป็นวันที่พระบรมศาสดา พระอรหันตาสามมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อสัตว์โลกทั้งหลายได้ทรงบัญญัติวันนี้ไว้ให้เป็นวันสร้างบุญบา ร, รมีเพราะบุญบา ร, รมีการสร้างบุญบา ร, รมีนี้เหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชต่างๆเพื่อที่จะได้ต้นและดอกผลของเมล็ดพืชต่างๆ ชีวิตของเราที่เรามาเกิดนี้ก็เป็นเหมือนกับผลที่เราได้รับจากการหว่านเมล็ดพืชต่างๆในอดีตเราเกิดดีเกิดสูงเกิดด้วยความสุขหรือเกิดไม่ดีเกิดต่ำเกิดด้วยความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการหว่านเมล็ดพืชต่างๆในอดีตนั่นเอง มเมล็ดพืชที่พูดอันนี้ก็คือบุญบรารมีต่างๆเหล้วนกับผลไม้มเมล็ดผลไม้ต่างๆเราอยากได้ผลไม้ชนิดใดเราก็ต้องหว่านมเมล็ดผลไม้ชนิดนั้นอยากได้ส้มก็ต้องหว่านส้มหวานมเมล็ดส้มอยากได้มะละกออยากได้ส้มโออยากได้สับประรด หรืออยากได้ผ ล, ลไม้ชนิดต่างๆก็ต้องมีการหวานเมล็ดของผลมลไม้ชนิดนั้นถึงจะได้ผลไม้ที่เราต้องการกันพวกเราทุกคนเกิดมาเราก็อยากจะเกิดดีเกิดมีความสุขมีความเจริญมีความมั่งคัง่งมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผ่องใสมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบส2มองมีสติปัญญาที่แหลมคมสิ่งเหล่านี้ลวนเป็นผลที่เกิดจากการสร้างบุญบารมีต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาจึงทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงเกิด มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมาบวชเป็นสมณะโคตมะและมาตัสสรุปเป็นพระอาหารหันตดสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอันนี้ไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานการขอแต่เกิดจากการหวานมเมล็ด ของบุญบารมีต่างๆบุญบารมีที่เราควรที่จะหวานกันควรจะสร้างกันเพื่อชีวิตที่ดีที่จะตามมาต่อไปนั้นก็เริ่มที่เมตตาบารมีเราต้องมีความเมตตาต่อสัตว์ร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เดรัจฉานหรือกายทิพย์ทั้งหลาย ขอให้เราอย่าคิดร้ายต่อผู้อื่นให้คิดดีให้มีความปรารถนาดีให้มีความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเวลาผู้อื่นมีความทุกข์ก็พยายามช่วยปัดเป่าช่วยลดความทุกข์ต่างๆให้เบาบางลงไปมีอะไรก็แบ่งปันเสียสละ อันนี้เรียกว่าเมตตาบามีแล้วก็ให้รู้จักการให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทจองเวนจองกรรมอันนี้เป็นบามีขั้นแรกอันแรกที่สำคัญเพราะถ้าเราขาดขาดเมตตาบามีแล้วจะทำให้เราไม่สามารถสร้าง บรารมีข้ออื่นตามมาได้แต่ถ้าเรามีเมตตาแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างฐานบรารมีได้เพราะคนผู้มีเมตตานั้นย่อมมีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเวลาที่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากเกินความจาเป็นก็จะไม่หวงเก็บเอาไว้ เพราะการหัวมเก็บเอาไว้ไม่เป็นประโยชน์กับใครแต่การเอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายให้แต่ต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับผู้ที่เรามีความเคารพนับถือผู้มีพระคุณการให้เหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น ผู้ให้นั้นย่อมเป็นผู้สูงกว่าผู้ไม่ให้ยิ่งถ้าเป็นผู้อยากได้แล้วก็ยิ่งจะเป็นผู้ต่ำต้อยผู้สูงนี้ไม่ได้เป็นผู้อยากได้แต่เป็นผู้อยากให้เพราะเวลาให้แล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มจะทำให้มี พบชาติที่ดีตามมาต่อไปผู้ที่ทำทานอยู่เรื่อยๆนั้นเวลาไปเกิดไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดจะมีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์ต่างๆ <c oughs> ถ้าไม่ทำบุญทำทาน <c oughs> ก็จะไปแบบขอทานจะไปแบบยาจบตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน อันนี้คือบรารมีที่เราควรจะสร้างกันหลังจากที่เราได้แผ่เมตตาบรารมีให้แก่สกรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรามีเมตตาเราก็จะให้ทานได้แล้วเราก็จะรักษาศีลคือละเว้นจากการสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ยากลําบากหรือทำร้ายทาลาย ชีวิตละทัพย์สินของผู้อื่นได้อันนี้เรียกว่าศีลบารามีทำทานบาามีแล้วก็ให้ทำศีลบารามีศีลบารามีนี้ก็คือศีลห้าคือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายามนุกทั้งหลาย นี่เป็นการกระทำที่จะป้องกันไม่ให้ชีวิตตกต่ำไม่ต้องไม่ให้ไปเกิดในอบายเป็นภพชาติที่ไม่มีใครอยากจะไปเกิดกันเพราะอบายก็คือที่เกิดของเดรัจฉานของเปรตของผีของนรกนั่นเองแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปสร้างบาสร้างศีลบรารมีได้ ก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายทุกพพทุกชาติเวลาเกิดมาก็เวลาตายไปก็จะไปสวรรค์ก่อนถ้าทาทานมีทานบา ร, รมีมีศีลบา ร, รมีตายไปก็จะไปสวรรค์ก่อนจากสวรรค์ก็จะเสด็จก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความพังพร้อมด้วยบุญวาสนาต่าง อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมานั้นเองเช่นในสมัยเป็นพระเวชสันดรก็ทรงแบ่งปันเสียสละสิ่งต่างๆน่า แ, แต่บุคคลที่รับของพระโองค์ไปเพื่อที่จะได้สร้างทานบารมีเพื่อที่จะได้ปลดเปลื้องความผูกพัน ปลดเปลื้องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสิ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันถ้าสามารถปลดเปลื้องความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่ต้องมีการพัดพรากจากกันได้เวลาจากกันจะไม่มีความทุกข์ใจ จะจากอย่างสุขอย่างสบายจะไปสู่สุคติได้แต่ถ้าใจยังมีความผูกพันอยู่และไม่อาจจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีคือการไปทำบาปเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่ตนเองรักไว้ก็จะทำให้เวลาตายไปแทนที่จะได้ไปสวรรค์ก็จะต้องไปเกิดในอบาย แต่พระพุทธเจ้านี้ทรงเสี่ยงทรงสละทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างพ่อพ่อองค์ทรงเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องพัดภาคจากกันไปในที่สุดแล้วถ้ามีโอกาสที่จะสละสิ่งของหรือบุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์ได้ก็ทรงยินดี หลังจากที่ตายจากพระเวชสันดรก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์จากสวรรค์ก็ได้กลับลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็ได้มาบำเพ็ญเพียรออกบวชออกปฏิบัติธรรมจนได้ตัดสุลุเป็นพระอาหารหันตสันมาสัมพุทธเจ้านี่ก็อนิสงส์ที่เกิดจากการสร้าง ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีแล้วก็การที่ทรงสามารถออกบวชได้ก็เพราะว่าได้เคยสรงสร้างเนคขมะบา ร, รมีมาด้วยเนคขมะบา ร, รมีนี่คืออะไรก็คือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายที่เรียกว่าการมคุณห้านี่เองคือการออกจาก การหาความหากวามรู้สึกให้ออกให้หาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่าที่เรียกว่าสันติสุขผู้ที่ต้องการแสวงหาความสุขอันเลิศของพระอริยเจา้าทั้งหลายจําเป็นจะต้องสละความสุขขั้นต่ำก็คือความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ผู้ที่จะเจริญเนคขัมมะบารมีก็คือผู้ที่รักษาศินแปดหรือผู้ที่ออกบวชกันนั่นเองการออกบวชนี้จึงเรียกว่าเป็นการสร้างเนคขัมมะบารมีผู้บวชหรือผู้ถือศีลแปนี้ไม่ปรารถนาที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโลผุถะภาเช่นจะไม่ หาความสุขจากการเ่วมหลับนอนกับผู้อื่นจะไม่หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารชนิดต่างๆแบบไม่มีเหตุไม่มีผ ล, ไ ม, มลมไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะรับประทานเพียงเพื่อให้ประทางชีพไปได้ในวันหนึ่งก็คือจะไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว รับประทานเพียงครั้งสองครั้งก็พอกับความต้องการของร่างกายแล้วก็จะไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆจะหจะไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากูปใช้น้าหองน้ําหอมไนใช้น้ํามันอะไรต่างๆเพื่อสร้างความสุขทางกาย แล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายพอร่างกายตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเพื่อมานั่งสมาธิทําใจให้สงบเพื่อที่จะได้เข้าสู่ความสุขที่ประเสริฐกว่าที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ นี่คือหน้าที่ของผู้ที่สร้างเนกขมมะบารมีเช่นผู้ที่ถือศีลแปดถือศีลสิบศีลสองร้ น, 7, นี้เป็นต้นเป็นผู้ที่ละแล้วความสุขทางโลกทางร่างกายแล้วก็มุ่งเข้าสู่ความสุขทางใจคือทําใจให้สงบพอสร้างเนกขมมะบารมีได้แล้ว ก็จะสามารถสร้างอุเบกขาบารมีได้อุเบกขาบารมีคือความนิ่งเฉยของใจความเป็นกลางความการปล่อยวางไม่มีอารมณ์กับเสียงต่างๆไม่ว่ า, า จ, จะเป็นรูปเสียงกินิลดโภตภพะหรือธรรมารมณ์ต่างๆเวลามีอุเบกขาแล้ว ใจจะไม่มีอารมณ์กับอะไรทั้งนั้นจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นการที่จะทำให้เกิดโอเบคาขึ้นมาได้ก็จะเป็นจะต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งไปถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดี เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดีเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาปปล่าๆเพราะจะทาจะไม่ทำให้เกิดความสงบขึ้นมาการที่จะทำให้ใจสงบนี้ต้องให้ใจคิดอยู่เพียงเรื่องเดียวเช่นให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้ามีการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่อง ใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอมีเวลาว่างนั่งหลับตาบริกรรมพุทธโธใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายเวลาใจสงบแล้วก็จะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาคือใจจะเป็นหนึ่งจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆ ถึงแม้จะได้รับรู้เช่นได้ยินเสียงหรือมีความรู้สึกอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆเวลาใจมีความสงบมีอุเบกขาจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายนี่คืออุเบกขาบารมีแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องสร้างปัญญาบารมี ถ้าเราอยากจะรักษาอุเบกขาบารมีให้อยู่กับใจไปตลอดเพราะถ้าเราไม่มีปัญญาบารมีเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะมีกิเลสตัณหาคือความโลภความอยากปรากฏตามมาถ้าปล่อยให้ไปทำตามความโลภทำตามความอยาก ใจก็จะสูญเสียอุเบกขาไปความความปล่อยวางความวางเฉยก็จะหายไปพอเมื่อเกิดความโลภเกิดความอยากก็จะเกิดอุปทานความผูกพันอยู่กับสิ่งที่อยากได้อยากมีก็จะทําให้ใจว่าวุ่นขุนบัวไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจแต่ถ้าใช้ปัญญา ถ้ามีปัญญาบารมีก็จะสามารถที่จะระ ง, งับความอยากได้เพราะปัญญาจะพิจารณาจะสอนใจให้เห็นว่าเวลาเกิดความอยากนี้จะทำให้ใจร้อนขึ้นมาจะทำให้อุเบกขาหายไปแล้วการกระทาตามความอยากก็ไม่ได้ทำให้ความร้อนของในใจหายไป ถ้าหายก็หายเป็นเพียงชั่วคราวแต่พอไม่นานก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่อีกเพราะความอยากนี้ไม่หนดไปด้วยการกระทำตามความอยากแต่กลับจะทำให้ความอยากมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยตอนต้นก็อยากได้คือพอได้คือก็อยากได้สอกพอได้ศอกก็อยากได้วา ตอนต้นก็อยากจะเป็นนายสิบพอได้นายสิบก็อยากเป็นนายร้อยอยากนายร้อยก็ได้อยากจะได้เป็นนายพันนายพลตามนำดับไปไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่มีความอยากตราบนั้นใจก็จะไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบไม่มีความสุขถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆมากมายก็ตามแต่สิ่งต่างๆที่ได้มานี้ไม่สามารถ ดับความร้อนของใจได้ไม่สามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางได้สิ่งที่จะปล่อยวางทับทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางได้ก็คือปัญญาต้องมีปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าความอยากนี้แหละที่จะทำให้ใจทุกข์ล้าสิ่งที่อยากได้ก็จะทำให้ใจทุกข์เช่นเดียวกัน เพราะสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงพอดได้มาแล้วไม่นานก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จงจากไปในที่สุดเวลาของที่เราลักเราชอบเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเราก็าจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือปัญญาลองสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ที่ใจอยากได้นี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอยากไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะจะไม่ได้ทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์แต่จะกลับทำให้ใจนั้นติดกับของความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายจากพพนี้ก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาทุกข์ใหม่อีกเพราะอำนาจของความอยาก นี่แหละที่จะเป็นตัวฉุดลากใจให้ไปเกิดให้กลับมาเกิดใหม่และเวลากลับมาเกิดก็เกิดดีหรือเกิดไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีที่ได้ทำไว้นี่เองถ้าไม่ได้ทำบุญบา ร, รมีกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดแบบอาภัพวาสนาะ ยากจนรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงอาการไม่ครบ32อายุสั้นสติปัญญาทึกดยากจนด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆแต่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามสร้างบุญบารมีต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาภพชาติก็จะเป็นภพชาติที่ดี และจะหมดไปในที่สุดถ้าสามารถสร้างปัญญามารมีขึ้นมาได้เพราะถ้ามีปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับความสงบของใจไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขดีเท่ากับความสุขของใจไม่มีอะไรที่จะดับความทุกข์ของใจได้นอกจากความสงบของใจนี้เท่านั้น ถ้ามีปัญญาเห็นอย่างนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสร ะ, ะเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโภาพะชนิดต่างๆเพราะผู้ที่มีปัญญาจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะไม่เที่ยงมีการเจริญแล้วต้องมีมีการเสื่อมและมีการดับไป เวลาเสื่อมและเวลาดับเวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่จะสร้างความทุกข์ให้เพราะผู้ที่มีความติดพันอยู่กับความกับสิ่งเหล่านี้จะไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เสื่อมจะไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้จากไปแต่ก็ห้ามไม่ได้เวลาเกิดความอยากไม่ให้จากไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้น เกิดจากความอยากของใจนี่เองถ้าใจไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์กับสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ามีความอยากแล้วิกับสิ่งใดก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมาบางทีสิ่งที่สิ่งที่เราทุกข์ใจด้วยนั้นยังไม่เสื่อมเลยเพียงแต่คิดถึงความเสื่อมของสิ่งนั้นก็ทําให้ไม่สบายใจได้แล้ว เช่นร่างกายของเราพอเราคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายนี่เราก็ไม่สบายใจแล้วแต่เวลาเราอยากจะมาเกิดกันเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันบ้างเราคิดว่ามาเกิดแล้วจะมีความสุขจะได้หาราบยศสละเสริญหารูปสิงห์กินรดโพธิ์ะได้นี่เพราะว่าไม่มีปัญญา ผู้ที่มีปัญญาแล้วจะเห็นความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างพอเห็นความเสื่อมก็จะไม่อยากได้พอรู้ว่าเอามาแล้วจะต้องมาเสียใจภายหลังมาสูญเสียในภายหลังเอามาทำไมสู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบของใจที่เป็นความสุขที่แท้จริงดีกว่านี่คือเรื่องของปัญญาบารมี เรื่องของเนคขมะเรื่องของโอเบคขาบาลมีเนคขมะบาลมีศีนบาลมีทานบาลมีและเมตตาบาามีที่เป็นบาลมีที่เราควรที่จะสร้างกัน ต, ตั้นับตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ทำกันไปให้มากๆแล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะดีขึ้นไปไเรื่อยๆชีวิตของเราจะใกล้สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เข้าไปไเรื่อยๆ หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดไปเรื่อยๆการที่เราจะสร้างบรารมีเหล่านี้ได้สิ่งที่เราต้องมีก็คืออธิษฐานบรารมีอธิษฐานแปลว่าอะไรแปลว่าความตั้งใจที่จะสร้างบรารมีเหล่านี้ถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ถ้าเรามีความตั้งใจแล้ว เราก็จะรู้เป้าหมายของเราว่าเราต้องทําอะไรพอเราตั้งใจว่าเราจะสร้างเมตตาบารมีธาตุบร า, มาบรามีศีลบรารมีเนตข ม, มะบรารมีอุเบกขาบรารมีปัญญาบรารมีเราก็จะได้ภูมิเป้าของการกระทําของเราไปสู่การสร้างบรารมีเหล่านี้ เหมือนกับวันนี้เราก็มีความตั้งใจที่จะมาวัดกันพอเรามีความตั้งใจพอถึงเวลาตื่นขึ้นมาเราก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อมาให้ถึงที่วัดแ ต, แต่เมื่อวานนี้เราไม่ได้ตั้งใจกันเมื่อวานนี้จึงไม่ได้มากันนี่คือความตั้งใจก่อนที่เราจะทําอะไรให้สําเร็จได้เราต้องมีความตั้งใจก่อน และสิ่งที่จะบังคับให้เราทําตามความตั้งใจได้ก็คือสัจจะบรารมีเมื่อเราตั้งใจจะทำว่าอะไรแล้วเราต้องมีสัจจะบาลมีคือเราต้องจริงใจไม่โอกหกหลอกลวงตัวเราเองตั้งใจจะทาอะไรพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะเช่นเตินขึ้นมาแทนอยากจะมาวัดตั้งใจจะมาวัด แต่พอตื่นขึ้นมายังมีความง่วงเหงาหานอนยังอยากจะหลับต่อก็เลยเปลี่ยนใจวันนี้ไม่ไปวัดดีกว่านอนต่อดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะอยังนั้นการตั้งใจอะไรนี้จะต้องมีสัจจะประกอบควบคู่ไปด้วยจึงจะทำให้การตั้งใจนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงตั้งสัจจะอธิษฐาน เวลานั่งอยู่ใต้โคนต้นโพก่อนที่จะทรงตัดสรุปก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาอยู่ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรุปถ้ายังไม่ตัดสรุปถึงแม้ว่าร่างกายนี้เลือดในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปก็จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดมีอย่างเดียวเท่านั้นถ้าจะลุกก็คือต้องตัดสรุปต้องรู้ความจริง ที่ทรงแสวงหาความจริงที่ทำให้ความทุกข์ในประทายของพระองค์นั้นหมดสิน้นไปพระองค์จึงต้องจำเป็นต้องนั่งไปจนในที่สุดก็สามารถตัดสู้พบพระอริยสัจสีที่เป็นเรื่องของความทุกข์และเหตุของความทุกข์เรื่องของวิธีการดับทุกข์และการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ อันนี้ต้องมีสัจจะอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานตั้งใจแล้วก็สัจจะบังคับใจไม่ให้เปลี่ยนใจว่ามีสัจจะแล้วเปลี่ยนใจไม่ได้พอมีอธิษฐานมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะบรารมีคือความภาคเพียรไม่ใช่พอตั้งใจมีสัจจะแต่พอถึงเวลาจะทําก็ไม่ทามีความเกียจคร้าน อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องมีความขยันมีความขยันแล้วก็ยังต้องมีขันติบาลามีอีกข้อหนึ่งเพราะเวลาทาอะไรที่ดีนี้มักจะเป็นของยากถ้าไม่มีความอดทนก็จะท้อแท้เบื่อนายอาจจะทาได้วันแรกๆใหม่ๆเช่นในช่วงปีใหม่นี้มักจะตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าปีนี้จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ แต่พอทำไปได้สักสองสามวันก็เหนื่อยเสียแล้วอ่อนกำลังลงแล้วก็เลิกทำไปในที่สุดเพราะขาดขันติ บ, บารามีดังนั้นขอให้เราพยายามสร้างวิริยะบารามีอยากขี้เกียจพยายามทำอะไรอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นมาจนหลับอย่านั่งเฉยๆอย่าทำอะไรที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ พยายามใช้เวลาของเราให้เกิดคุณ ป, ประโยชน์ให้มากที่สุดด้วยการทำสิ่งต่างๆที่พึงกระทำแล้วก็ให้มีความอดทนเวลาเวลาทำแล้วรู้สึกยากลำบากเหนื่อยยากก็ขอให้ผลดันไปว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังทำได้อยู่ก็จะทำต่อไป ทำไปจกนกระทั่งไม่สามารถทําได้เท่านั้นถึงจะหยุดทำถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิรยิยะมีขันติแล้วการสร้างบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถสร้างกันได้และเมื่อเราสร้างบารมีต่างๆได้แล้วผลที่เราปรารถนากันก็ย่อมเป็นผลที่ตามมา คือการได้มาเกิดดีเกิดสูงเกิดด้วยบุญบา ร, รมีและสามารถที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่าตายเกิดได้ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้ทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างบารมีอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้ เรามีอธิษฐานบารมีเราได้สร้างอธิษฐานบารมีสัจจบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีทําให้พวกเรามาถึงที่วัดนี้ได้มาถึงวันแล้วเราก็มาสร้างทานบารมีสร้างเมตตาบารมีสร้างศีลบารมีเนคขัมมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีตามลําดับขอให้เราทําอย่างนี้ไปทุกวันเถิด แล้วรับรองได้ว่าพพชาติของเราชีวิตของเราการเกิดของเราภายในภาพหน้าถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดจะเป็นการเกิดที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงการเกิดครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอนการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไกร